Duh. -huh. ความสุขและความเจริญแตดญาตโยมที่ได้มาปฏิบัติในการมารักษาศีลฟังธรรมนั่งภาวนาทางการทำฌานทางการเจริญ การทำให้แจ้งเพื่อมรักผลันแต่ว่าคำว่ามรักผลถ้าเราดูแลต้นไม้ก็คงจะกำหนดปีได้ว่า ต้นไม้ชนิดไหนจะให้ดอกเวลาไหนให้ผลเวลาใดเนะี่ยเราก็พอที่กำหนดได้ทั้งปีทั้งเดือนทั้งอายุแต่พอพูดถึง มักผลของผู้ปฏิบัติมันไม่เหมือนกับต้นไม้มันไม่เหมือนกับดอกไม้ที่จะบานตามกำหนด นี่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องมรรคผลมันเกินกว่าาว่มจริยธรรมที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเกินกว่ามโนธรรมที่เป็นพื้นฐานทั่วๆไปก็เลย กฎเกณฑ์นั้นยากที่จะระบุว่าจะปีไหนของผู้ปฏิบัติจะได้พักผลห้าปีหรือหกปีหรือสิบปีก็ยังตอบไม่ได้ต่อให้บอกวยี่สิบ หรือสี่สิบปีก็ยังไม่ใช่คำตอบของผู้ปฏิบัติแม้ใใจะใช้คำว่าทั้งชีวิตก็ยังตอบไม่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ผู้ภาวนาผู้มุ่งหวังมรรคผล สิ่งที่เชื่อได้แล้วก็พิสทจน์ก็คือผู้ที่ภาวนาสูมรคนี่ค่อยๆเริ่มมีอิสระมากขึ้นโดยลำดับโดยลำดับจนถึงความอิสระ ที่อยู่เหนือทุกได้อิสระที่อยู่เหนือเงื่อนไขข้อข้อแรกเปลี่ยนได้ทุกๆอย่างนั่นก็คือต้นทุนก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาสัมมาอาภาจะบอก เป็นแสงสว่างไม่มีอะไรที่จะมาสว่างถ้ามาเทียบกับปัญญาแล้วนัตถปัญญาสมามอาภาธไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาฉะนั้นผู้ภาวนาและก็นักปฏิบัติตทั้งหลาย เราจะเห็นความเปลี่ยนในในในตัวของเราในชีวิตในสติปัญญาในจิตใจทุกคนก็เริ่มที่จะกำหนดหรือว่าสัมผัสในคุณธรรมที่ไม่ใช่เป็นคุณธรรมแบบ บางคนบอกฉันไม่ทำชั่วก็คือคนมีคุณธรรมฉันไม่ทำเลวฉันก็มีคุณธรรมถ้าแค่นี้ยังไม่พน้นเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีความยินดียินร้ายอยู่ ยึดมั่นถือมั่นกันอยู่ผู้นั้นก็ไม่ได้รับคำว่าอิสระยังไม่ได้รับถึงจะได้รับเป็นวัตถุสิ่งของแต่นั่นยังไม่ใช่คือมรรคผลอันแท้ของผู้ที่สแสวงหา ในการเจริญสู่วิปัสสนาที่เป็นการกำหนดทั้งรูปทั้งนามในกายในจิตพอเรากำหนดจริงๆกองรูปก็เป็นได้แค่ธาตุสี่ชีวิตรวมทั้งหมดก็มีแค่ขัดห้า แต่พอเราแยกแยะจริงๆก็แค่มีรูปกับนามสภาพเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามที่บอกกันนั่นคือให้เราได้พิจารณา ให้เราได้รู้สภาพที่เราเป็นอยู่แล้วก็อาศัยอยู่ดำเนินอยู่เท่านั้นเองพอเรากำหนดได้จริงๆแล้วก็เพียงให้รู้ว่ามีโดยในยะที่ไม่เที่ยงทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้อยใหญ่อวัยวะน้อยใหญ่เนื้อหนังน้อยใหญ่มีนยยะที่กำหนดโดยความไม่เที่ยงตั้งแต่หัวจดเท้าลงมาเรากำหนดได้ แล้วความไม่เที่ยงนั้นก็จะมีความแปรปรวนด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงจนถึงความเสื่อมสลายของของรูปนี้ทั้งหมดที่มีอยู่สุดท้ายก็เสื่อมสลายวิยะธรรมสังขารา พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวิยะธรรมาสังขาราเรากําหนดได้ทุงยงมจะกําหนดตรงไหนเล็บก็กุดนานๆเข้าฟันเห ล้มบ้างเซ่บ้างยืนบ้างหักบ้างผุบ้างหลุดออกบ้างไม่ว่าตรงไหนตาก็เหมือนตาสั้นตายาวตาเอียงจนมองเกือบไม่เห็นจนตาแพ้แสงแพ้ลมแพ้แดดแพ้ฝุน่นละอองทั้งหลายหนังตาก็ค่อยตก จนจะปิดดวงตาเนื้อที่เคยแต่งเคยตึงที่เคยยินดีพอใจก็ก็ค่อยเขี่ยวเขี่ยวมากจนย่นลงแค่นี้นึกว่าพอละอยู่ต่อยานอีก เขียวย่นยานหมดผมที่เคยสวยเคยดำเคยดกดำผมก็ขาวาแล้วก็หลุดร่วงไปเมื่อก่อนบางคนก็ผมสวยผมดำผมดก ผมเงามันตอนหลังนี้เหลือแต่หนังหัวแล้วมันก็เป็นจริงๆกำหนดเราเราเห็นโดยความไม่เที่ยงแล้วก็ขัดขืนไม่ได้ด้วยเคยยื้อได้สักระยะหนะึ่งมนุษย์ก็มีกรรมวิธีที่จะบำรุงรักษาให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น แต่ว่าแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่ไปขัดขืนได้ก็ต้องจำยอมแม้รูปร่างของทุกคนก็เปลี่ยนจากวัยเด็กหนุ่มสาวเริ่มมีอายุวัยก็เปลี่ยน ยิ่เมื่อเสียงเปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดไม่คงไว้ยังยืนนานตลอดกาลพอกำหนดได้เนี่ยคนที่เขามีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญาอันท่องแท้เนี่ย ก็สามารถทำให้แจ้งได้ว่าเออมันเป็นเช่นนีออ้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันตรงกันมันเป็นเช่นนี้เถียงไม่ได้เลยมันเปลี่ยนไปหมดทุกอยาก่างแม้แต่กำลังวัางเช้าว่าดีดี ความกระชับกระเฉงความกระปี้กระเป่าที่พูดกันมาทั้งหมดความว่องไว เ, เป็นเฉยชาพออายุมากเข้ายมสังเกตจะเดินหมดหมดแรงจะลุก จะโอยจะนั่งก็โอยจะนอนก็โอยมันดอกไม้ที่พร้อมจะโรยแล้วไม่ใจ่รวยธารรมลานะโรยลาจะลาแนละ้วไม่ลาธารรมลานะจะลาลาลับด้วยเมื่อก่อนบอกลาก่อนไว้เจอกันใหม่นะเท่านี้บอกบายๆบอกอฉันจะลาลับนะพ่อกำหนดได้นะ มีตรงไหนที่น่าชื่นชมน่ายินดีน่าพอใจน่าติดใจน่ายึดมั่นไหมชัดไหมโอชัดมากเลยเนี่ยพอชัดอย่างนี้ความรู้แจ้งเกิดและไม่ใช่เกิดแบบแค่ความคิดหรือแค่ระลึกได้ในชั่วขณะ แต่เป็นความความรู้แจ้งจนถึงจิตนะจิตเนี่ยรู้แล้วว่าเออเรามาอาศัยรูปร่างนี้อยู่เรามาอาศัยอาการสามสิบสองเนื้อหนังตับเอ็นกระดูกม้ามหัวใจอาศัยก็อยู่ ในช่วงขณะของอายุหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องเสื่อมสลายแล้วก็แตกดับแตกดับมาลายสินอินรีนี้ จะเหลือไว้ก็เพียงคำว่าชั่วดีนั่นคือการกระทำเกิดจากกายเกิดจากวาจาหรือเกิดจากใจที่เรามีเจตนาไว้เจตนาหังนภิกขเวกัมบังวะดามิ พระพุทธเจ้าได้แสดงว่าเจตนาคือตัวกรรมแล้วกรรมก็คือการกระทํากรรมมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเสื่อมแล้วก็เจริญทั้งอยู่ด้วยฝ่ายมืดหรือฝ่ายสว่างธรรมหรืออาธรรมนี่คือการกําหนด แล้วทำให้เราไม่ยึดติดแต่การดำเนินชีวิตก็ต้องดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแต่ทีนี้เราเนี่ยจะอยู่อย่างผู้ไม่ประมาทในอายุในวัยในรูปสังขารที่อาศัยอยู่โดยความเป็นตัวตน ที่สมบุติขึ้นตามนัยยะที่เป็นอยู่พอกำหนดถึงตรงนี้ทำไมาไม่มีอะไรสงสัยเลยไม่สงสัยเลยต่อเอาแหวนมาสวมเอาสร้อยมาใส่เอาอะไรมาต่อมาแต้มมาเติมมาประดับมาตกแต่งมันก็ มีอยู่โดยความไม่เที่ยงทั้งหมดเติมเมื่อสวยเติมเมื่อรวยมันก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็บางคนเป็นหลงเปลือกแล้วสุดท้ายก็ได้แค่เปลือกจริงๆ แน่ของสงสารนะมนุษย์ต่อสู้ดิ้นรนแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวไขว่คว้าทะเยอทะยานจนบางคนไม่แยกดีชั่วไม่รู้ผิดถูกไม่เอาบาปบุญไม่สนในคุณโทษแล้วก็ไม่รับผิดชอบในจิตวิญญาณ เรื่องเรื่องของนรกสวรรค์มันเป็นกรรมหนักนาเป็นกรรมหนักผู้ที่เขาไม่เข้าใจเขาก็หลงเอาเปลือกนอกเอาสวยเอารวยเอาสบายสวยก็ใช้ตกแตก เอาสบายก็ใช้ความมั่งคัง่งร่ำรวยสุดท้ายก็ได้แค่เปลือกอำนาจโยมก็เห็นแล้วก็ไม่เห็นอำนาจไหนที่จะยั่งยืนไม่เห็นยั่งยืน ต่อมาก็ไม่เห็นว่าใครที่จะรักษาอำนาจได้ยั่งยืนตลอดกาลในหนึ่งร้อยปีเนี่ยมันมันไม่ใช่ถึงเวลาก็ถูกปลดถึงเวลาก็ตายจากถึงเวลาก็ถูกโค่นอำนาจถึงเวลาก็ถูก สารพัที่จะเกิดขึ้นหรือหมดสภาพไปเองไม่มีอะไรยั่งยืนถ้าโยมยังยินดีต่อเปลือกตัวตกแต่งเสริมต่อเติมชีวิตพอเราไปหลงมากๆเข้า เราก็เลยลืมดื่มความเกิดอันเป็นแก่นแท้โดยเฉพาะเรื่องของจิตภายในจิตชีวิตที่เกิดมาเนี่ยพอเราไม่กำหนดเราก็จะไม่ระลึกในเรื่องของ คุณธรรมในขั้นสูงก็ได้บอกเบื้องต้นบางคนก็เอาแค่เบื้องต้นไม่ทำชั่วฉันก็เป็นคนดีไม่ทำเลวฉันก็เป็นคนที่ที่ดีเข้าใจแค่นี้ก็ได้แค่นี้จริงๆทำไมไม่เข้าใจให้มันลึกกว่านี้มากกว่านี้ดีกว่านี้เสหน่อย แตมาได้ยินหลายชีวิตพูดเหมือนพอใจว่าฉันไม่ได้เบียดเบียนใครฉันก็ไม่ได้เลวตรงใดฉันก็พอแล้วโอ้ถ้าคิดแค่นี้กินข้าวบารู้กับใช้ชีวิตไม่รู้จัก บิญญาณเนี่ยแม่มันเสียเลยใช้ร่างกายได้แต่ความสบายแต่จิตใจนี้ไม่เคยได้รับความสุขเนี่ยอัตมาว่าพวกเราเยังไม่ทำให้แจ้ง แต่มาใช้ว่าพวกเรายังไม่ทำให้แจ้งแล้วก็ยังไม่รู้ตื่นไม่รู้ตื่นสังเกตไม่ว่าจิตของมนุษย์คำว่าเบิกบานเนี่ยเหมือนกับใช้ไม่ได้กันเลยคำว่าเบิกบานสับคำนี้เนี่ย รู้ตื่นแจ้งเบิกบานเหมือนกับมนุษย์ไปไม่ถึงใช้คำว่ามีความรู้หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ มีความรู้แบบหลับหลับตื่นตื่นชีวิตวันวันหนึ่งมีความเศร้าหมองเข้ามามเยือนในจิตเนี่ยบ่อยครั้งมากบ่อยครั้งมากความเบิกบานเนี่ยไม่ได้อยู่ในใจ เพราะมีแต่ความกังวลที่มาอยู่แทนโยมสังเกตแม้แมทำสมาธิจิตภายในก็มีแต่ความกังวลความคิดโบนจนสับสนสุดท้ายนั่งอยู่ตั้งนานบอกว่าวุ่นวายหนอ ไม่ได้ภาวนาว่าสงบหนอนะวุ่นวายหนอ่อม่ได้บอกว่าสบายหนอนะขัดข้องหนอ่อคคำนี้ยัศสะกุลระบุรใช้มาแล้วแล้วที่สุดเราก็ไม่ได้พบจริงๆ ก็พวกเราอาศัยเปลือกไงก็อยู่กันแบบเปลือกชีวิตพอจะเข้าถึงแก่นแท้เนี่ยไม่รู้ทางมีแต่ความรู้มีแต่ความสามารถมีแต่ความเก่งจนบางอย่างเลยเถิด กายเป็นความหลงตัวอวดตัวยกตนเองเหนือกว่าผู้ใดบางคนก็นึกว่าตนสู้ใครไม่ได้ก็โอ้เหมือนกับเหยียบตัวเองไว้บางคนก็เหมือนกับยกตัวเองไว้แตามาบอกทั้งสองเนี่ยสุดโต่งทั้งนั้นเลย ไม่จำเป็นต้องเหยียบตัวเองให้จมไปอีกถ้าดีแล้วเก่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปยกตัวเองให้มันวิเศษวิโสโอหังขึ้นมาอีกไม่จำเป็นอ่อผ้าจะดีเดี๋ยวคนจับเขาก็รู้แล้วว่าผ้าเนื้อดีเนียนแค่ไหน คุณภาพดีไมด่ดีให้เขาใช้สักพักเดี๋ยวเขาก็รู้สีตกไม่ตกเนื้อหยาบไม่หยาบทนทานแค่ไหนใส่แล้วมันร้อนมันเย็นมันสบายหรือเปล่าไม่ต้องไปโอ้อวดไม่ต้องไปบอกว่านีนะฉันนี่เลิศประเสริฐทุกอย่างถ้าใครได้คบกับฉันแล้วก็เป็นที่หนึ่งหมดทุกคนบอก ที่พูดมานี้ตตมาว่าพังหมดแล้วนะไม่มีความสุขหรอกคนที่เจ้าที่หนึ่งทั้งหมดนะตตมามีวิธีให้จะเป็นที่หนึ่งใช่ั้มอยู่คนเดียวแล้วกันเป็นที่หนึ่งไหมสบายเลยไม่เป็นที่สองรองใครอยู่คนเดียว เป็นที่หนึ่งถ้ามาอยู่หลายคนคิดจะเป็นที่หนึ่งทุกทุกอย่างแตมาว่าเข้าใจชีวิตอะไรหรือเปล่าเราทำไมต้องอย่างนั้นนะมนุษย์ที่ฉลาด ไม่จำเป็นต้องไปขีดเส้นใต้ขีดเส้นชีวิตตัวเองหรือว่าวงเล็บจำกัดหรือต้องสเปคอย่างนั้นต้องฟิกไว้อยู่ตรงนี้ว่าไม่ใช่อาตมาบอกให้ผู้ภาวนานักปฏิบัติฟังชัดๆเลยว่าไม่ว่าอะไร ทุกอย่างน่มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไม่ว่าปัญหาความสุขหรือความทุกข์หรือไม่ทุกไม่สุขหรือได้มาแล้วหรือสิ่งนั้นจากไปสปรรพสิ่งทั้งหลายของผู้ภาวนาต้องทำให้รู้แจ้ง สิ่งนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดจากเรื่องอะไรไม่ว่าครอบครัวเรื่องของหมู่บ้านเรื่องของตำบลเรื่องของอำเภอเรื่องของจังหวัดเรื่องในระดับประเทศหรือว่าโลกนี้ทุกๆประเทศมารวมกันมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอด ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนระเบียบไหนแผนไหนไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดและคนคนนั้นด้วยต่อให้คนคนนั้นเป็นผู้ออกกฎมามันก็ไม่ใช่พอเราเข้าใจการปฏิบัติเจริญสติอบรมจิตได้นะ พอเรากำหนดกองรูปได้เนะี่ยทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วเราเราขัดขืนความจริงไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับความจริงคำนี้แหละคือคำที่เราจะเกิดปัญญา ในเมื่อเราขัดขืนความจริงไม่ได้แล้วทำไมเราไม่อยู่กับความจริงความจริงอาจจะต้องเจ็บปวดโยมก็ต้องอยู่กับมันความจริงอาจจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเราก็ต้องอยู่กับมัน ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องอยู่คำว่าห น, นีความจริงคือคนหลอกตัวเองแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมายือนอยู่จุดเดิมและไปเสียเว ล, เวลาทำไมสู้เราสู้ความจริงโดยสติปัญญา แล้วเอาบารมีธรรมที่เราศึกษามาปฏิบัติในความจริงนะว่าเราจะยืนอยุดจุดไหนถ้าจะทุกทุกยังไงที่น้อยที่สุดที่น้อยที่สุดทุกยังไงถ้าจะต้องอดทน เราควรจะอดทนแบบไหนถึงจะมีปัญญาถ้าอดทนแบบไม่มีปัญญาธารมาก็บอกว่าอดทนแบบโง่โ ง, ง, ง่สุดท้ายก็ไม่มีก็ไม่มีจะบอกว่าแก่นหรือสาระหรือประโยชน์ หรือผลดีผลรับไม่เกิดอะไรเลยถึงว่าเออบางคนชนะด้วยคำว่าอดทนนี่เขามีปัญญาบางคนเขาถึงเวลาที่ต้องสละเขาก็สละ มีจาคละตรณีลดมัชลิยะออกความตรณีที่เหนียวอะไรที่ว่ากัดดันั้นโยมเราศึกษาธรรมเนี่ยเราอยู่กับความเป็นจริงเรื่องเพอเจอร์พูด สิ่งที่ไม่เห็นตัวแล้วพูดกันไปเฟ้อฟ้าในต่มา ก, ก็ไม่ส่งเสริมให้พูดเดี๋ยวพูดแบบความคิดที่มันเลื่อนลอยจนเหมือนก้อนเมฆเดี๋ยวเป็นรูปหานุมานบ้างเดี๋ยวเป็นรูปกซิล่าบ้างเดี๋ยวเป็นรูปไดโนเสาร์บ้างเดี๋ยวเป็นรูปเต่าล้านปีบ้างต่มมาบอก ก็ไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นนะความคิดมันต้องมีขอบเขตทุกอย่างมันมีกรอบโอ้ขนารูปยังมีกรอบเลยแล้วชีวิตมนุษย์ถ้าไม่มีกรอบนะโอ้โหคิดแบบไม่มีกรอบเนี่ยตัมาว่า ไม่รู้ไปไหนเนะี่ยเ่าเชือกขาดเนะ่เรือไม่มีหางเสือเนะี่ยมันมันไม่รู้นะความคิดที่มันไม่มีกรอบนะมันไปไหนเพ้อฝันจนเเฟอฟ้า หรือความคิดนั้นกำลังทำลายตัวเองโดยผู้คิดอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าความคิดนี้กำลังกำลังไปทำลายผู้อื่นฉะนั้นกรอบตรมมาบอกว่ามันต้องยืนอยู่ด้วยความเป็นจริงหลักหลักธรรมมันต้องมี ต้องมีหลักศีลก็ต้องมีกรอบตรงนั้นเนี่ยจึงจะสมบูรณ์พอเรากำหนดได้จริงแล้วเนี่ยโยมสูญเสียแต่เราไม่เสียใจ วันนี้บทจะบอกบททดสอบก็คงพูดได้หรืออาจจะไม่ต้องใช้ต้องใช้บทพิสูจน์ทมก็ได้หรือบททดสอบจากพระเจ้าก็ได้แล้วแต่หรือต้องบอกเป็นบทพิสูจน์ตัวตนของเราอยู่ว่าเรา รู้ตื่นแจ้งเบิกบานมันใช่จริงหรือเปล่าเพราะเวลามนุษย์ยามปกติก็ก็ดูเหมือนสงบใช่ไหมอพอคนปฏิบัติธรรมก็เข้าใจว่าตัวเองนี้เตรียมที่จะเป็นโสดาบันละตัดเสื้อตัดสูทใส่ละเตรียมละจะฉลอง แต่พอมีเหตุการณ์เลวร้ายเข้ามาพอมีเหตุการณ์ผันผวนเข้ามาพอมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงพอเกิดขึ้นในบ้านของเราในชีวิตในครอบครัวหรือในคนที่เรารักก็ได้คำว่าสูญเสียเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือเป็นชีวิตอะไรก็ได้ถ้าเกิดขึ้นในวันนั้นเวลานั้นแล้วก็โยมจะเข้าใจว่าที่พูดมานี้ว่าจะไม่เกิดกับเราเกิดได้ทุกๆคน วันนี้อาจจะเป็นเรื่องวัตถุสิ่งของต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตอาจจะต้องมีการพัดพรากจากเป็นบ้างจากตายบ้างหรืออาจจะต้องล้มนอนนอนเสือ่อเนี่ยล้มหมอนนอนเสือ่อ สิ่งนั้นเรายังไม่ได้คาดคิดบางคนอยู่ๆไปตรวจนะไปตรวจแน่นหน้าอกเป็นนั่นเป็นนี่ปวดนึกว่าไปเดียวๆก็จะได้กลับที่ที่ไหนได้ไปได้สับจากโรงพยาบาลมาใหม่ก็บอกแ <laughs> อดมิดโยมยังนึกว่าเพราะนะแอดมิด คือเขาไม่ให้กลับแล้วล่ะต้องต้องเตรียมและเตรียมตัวอยู่โรงพยาบาลหมอต้องทำประการใดประการหนึ่งจะผ่าจะตัดเลยต้องให้รักษา ด, วด่วนถ้าโยมได้ยินวะ่าแอดมิดนี่โยมไม่ได้กลับบ้านแล้วนะ ีไม่ได้พูดว่า I c ซนะสับภาษาอังกฤษบางสับฟังแล้วมันก็ไม่ดีนะอย่างแอดมิดเนี่ยมันนอนบ้านดีกว่านะีอยู่อยู่ๆเขาไปให้นอนโรงพยาบาลไม่ให้กลับโดนตรวจแล้วก็ต้องทำอะไรอย่างเร็วที่สุด มิฉะนั้นอาจจะไม่ทันการถ้าทิ้งไว้อีกอานจะขยายผลผลลัพธ์ก็จะเสียหายฉะนั้นเราอยู่กับความจริงแต่มาถามว่านิ่งได้แค่ไหน อ, อ, อยู่กับความจริงนิ่งได้แค่ไหน อยู่กับหัวใจสงบได้เท่าไหร่โยมต้องตอบเองหมดบทเหล่านี้เขาไม่สอบอารมณ์กันแล้วผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ใช่ข้อสอบวันเดียวแต่ต้องตลอดไป ความรู้ธรรมะไม่ได้ใช้วันเดียวแล้วก็จบเหมือนกับสอบผ่านแล้วก็เอ็นผ่านแล้วก็จบรับปริญญาบัตรแล้วก็จบจะใช้ไม่ใช้ก็ถุดแล้วแต่ตรงกับวิสาอาชีพแค่ไหนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตราบใดหายใจ ตราบนั้นต้องใช้ต่อพอถึงเวลายมจะรู้เองว่าจิตของเรานี้ผ่านใครบอกว่าผ่านไม่ได้ใครบอกไม่ผ่านก็ไม่ได้คนนั้นเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาตัวเองและก็จะลงอาญา หรือจะรอลงอาญาตัวเองสุดแล้วแต่คนๆนั้นบทพิสูตรหลอกกันไม่ได้ถึงบอกการบอกสอบอารมณ์สอบอารมณ์เนะี่ยพอเจอของจริงเข้าเนะี่ยไม่ใช่ห้องสอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ นั่งอยู่หน้าพระประธานามีพระอาจารย์ยิ้มแย้มแจ่มใสสอบถามแล้วก็ดีใจว่าเรานี่ได้คุณธรรมขั้นนั้นขั้นนี้จะมาว่ามันขั้นอะไรขั้นจำลองวะมันแค่ขั้นจำลองไว้ยังไม่ได้เป็นจริงเลย กันสุนปลอมกับกันสุนจริงไงโยมเจ็บกับตายเนี่ยมันห่างกันเยอะนะเขาไม่ได้บอกว่าระวังนะหลบให้ดีไม่มาแล้วเนาะโยมจะหมอบจะพลิกจะกลิ้งจะกระโดดเนี่ยสู่ตรงนี้ทำมาว่าไม่ตายตัวนะนะไม่ตายตัวเพราะเหตุการณ์เฉพาะหนะ้าไม่รู้ว่า จะเจอมีดหรือเจอขวานหรือจะเจอปืนหรือจะเจอไม้ก็ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ใจของเราเนี่ยนิ่งไม่นิ่งสงบหรือไม่สงบยมรู้เองรู้โกรธไม่โกรธโลภไม่โลภหลงไม่หลงติดใจไม่ติด อคติหรือไม่อคติลำเอียงหรือไม่นะ่พะพอถึงเวลานั้นโยอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่า น, นี่โดยอคตินี่ขณะนี้เรากําลังลําเอียงเพราะรักก็ได้เพราะหลงก็ได้เพราะกลัวก็ได้เพราะความเข่าก็ได้ บางคนไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเนี่ยแตมาเคยเจอสมัยเด็กก็เด็กก็ไปเล่นกันสี่ห้าหกคนเล่นกันเป็นเพื่อนกันพอเกิดเรื่องขึ้นมาก็พ่อแม่ฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อแม่ฝ่ายบุตร พอทะเลาะ ก, กันฟังความข้างเดียวแล้วเห็นลูกเจ็บหน่อยไม่ได้คนอื่นผิดแล้วทางดังที่ตัวร้ายนะั่นก็คือตัวลูกของเขานั่นแหละไม่อยากจะเอาเรื่องให้ได้นั่นเกิดความลำเอียงแล้วนะ เพราะอะไรเพราะรักรักลูกแล้วก็ต้องเข้าใจว่าลูกของเรานี้ต้องดีแต่มาไม่เชื่อคำนี้พอออกไปคบกันเนี่ยรู้ว่าไผเป็นไผนิสัยของใครยังไงรู้อยู่ อันนี้มันดันไปชวนไปสู่กัญชาด้วยซ้ำไปพวกเราพยายามเบรกกันอยู่แต่พ่อแม่บอกลูกเขาเนี่ยดีที่สุดบุหรี่ไม่แตะเล่าไม่กินยาเสพติดไม่ต้องนักเลงไม่มีที่ไหนได้มันชวนเขาไปสู่กัญชาเป็นคนแรกเลยเห็นไหม แล้วใครพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้บอกเออวันนี้เจ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่วันต่อต่อไปเดี๋ยวจะรู้สึกเนี่ยถึงบอกความลำเอียงโดยเราอาจจะไม่รู้เพราะบทพิสูจน์ขึ้นมาเนี่ย ตอนนั้นโยมมีคุณธรรมข้อไหนตมาก็ตอบไม่ได้หรอกตอนนี้โยมบอกใจโยมสงบใจโยมปล่อยวางจิต ด, ดีดีเหมือนมีพระพุทธองค์มาปกป้องไปเลยนะแม่ฟังแล้วอยากนิพพานจังเลยขอนิพพานด้วยคนเด้ฟังแล้วเย็นสบายโยมปล่อยวางหมดแล้ว ตายกรรมใจของโยมสุขกรรมใจของโยมป่าไม่ธรรมดาแเก็บอารมณ์กรรมฐานอยู่ยตั้งเกือบสามเดือนออกมาส่งอารมณ์แม่ไม่ธรรมดาตายกรรมใยของโยมทุกกรรมัยของโย ม, รร ม, ยโยมสุขกรรมใยของโยมหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจ ไม่ได้เป็นของโยมเลยมันเป็นแค่เรามารู้จิตเท่านั้นเองบอกโอ้ oh, โยมทำไมนิพพานล้วจะว่ายังไงนะโยมใช่ไหมเออตอนนี้ยังไม่มีคลื่นกระแสะเข้ามากระทบบ้านก็ยังอยู่ดีทุกอย่างอยู่ดีหมด ไม่มีอะไรต้องมาทําให้ขุนและพูดตรงนั้นนี่น่าจะนิพพานนะโอ้ใครพูดปฏิบัติวางได้ขนาดนี้ถ้าไม่นิพพานก็ไม่รู้ว่ายังไงและตายก็ไม่ใช่ของโยมเออสุขก็ไม่ใช่ของโยมทุกข์ก็ไม่ใช่ของโยมเราแค่รู้เท่านั้นเอง แล้วก็ดับฟังและโยมว่าแล้วจะมีอะไรอีกความตายใหญ่ขนาดนั้นก็ยังบอกไม่ใช่ใชสุขทุกข์อยู่ในหัวใจแท้แท้ยังบอกไม่ใช่อีกโอ้โหแสดงว่าเกิดแล้วก็ดับจิตอย่างนี้ก็ไม่มีมานะแล้ว ความถือตัวความเป็นตัวตนความเยื่อหยิ่งจองหองความน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนี่ละมันะนี่เป็นคุณธรรมขั้นสูงในสั่งโยน์แล้วนะความฟุงสัานในจิตใจนั้นไม่มีแล้วนะโอ้โหความเสียใจที่กำหนดได้มันก็แค่เป็นตัวรู้ มันไม่ใช่ของเราความยึดไม่มีในโอโหตมาว่าอะไรโยมน้ำจะท่วมบ้านก็คงไม่เป็นไรแล้วละ่ะที่ปลอดภัยที่สุดก็คือจิตดวงนี้น้ำจะท่วมบ้านคงไม่เป็นไรมั้งใช่ไหมโยมพอบอกน้ำท่วมรีบเลย อยู่ไม่ครบและในพรรษาเนี่ยไปก่อนแล้วลูกผัวฉันอยู่ไหนสามีฉันเป็นยังไงบ้างตัวสัตว์มันลูกนกเลยทีนี้อา้าวเมื่อกี้บอกตายก็ไม่ใช่ของเราสุขทุ ก, ท ก, กข์ก็ไม่ใช่ของเราเห็นไหมดีใจเสียใจก็ไม่ใช่ของเราเพียงเป็ น, เ, ปนเพียงกําหนดรู้เท่านั้น ทำได้จริงๆธรมมาบอกเขาก็บรรลุนะบนรรลุแต่ว่าอาตมาบอกปัญญาเขาเห็นแล้วนะเห็นแจ้งสภาวะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้าถึงตรงนั้นได้จริงๆที่ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึก หรือความนึกคิดหรือเป็นอารมณ์ของกุศลจิตตรงนั้นนะเขาบรรลุนะแต่พูดอย่างนั้นคำว่าโลภโกรธหลงเนะี่ยไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดความเสียใจนี้ก็ไม่เกิดทุกอย่างเห็นเป็นความเกิดแล้วก็ดับเพียงแต่เรามารู้ และสมมุติขึ้นมาในพบหนึ่งว่าเรานี่คือสามีนี่คือบุตรนี่คือครอบครัวนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือบอกเรารู้ความจริงแต่เราได้วางความมั่นหมายทั้งหมดได้นะคุณธรรมตอนนี้นะจะเป็นบทพิสูจน์ของผู้ภาวนาเอง และโดยเฉพาะที่จะมาบอกเรื่องสำคัญคือกรรมวิบากเรื่องกรรมวิบากเป็นเรื่องสำคัญถ้าที่จะมายกไว้มัมโยมที่ภาวนาอยู่ถ้าเขาไม่มีกรรมวิบากอะไรแล้วนะที่จะเข้ามาเบียดเบียนที่จะเข้ามากระทบกระทั่งอีกนะ่ และชีวิตของเขาเนี่ยอยู่แบบส ม, มถะพอเพียงไม่วุ่นวายไม่ครุกครีไม่สร้างเวรต่อเขาก็หลุดพ้นจริงๆนะแต่ถ้ากรรมเวรไม่หมดก็เปรียบเหมือนไก่ที่กำลังจะฟักนะกกจะได้ที่อยู่แล้วนะรู้ว่า จะต้องฟักแล้วละ่ะมาโดนไล่ใช่ก่อนแม่แม่ไก่ร้องกระโต้กระโต้กระโต้เห็นไหมโยมลั่นเลยละ่ะโยมเคยได้ยินนะแต่ไก่ร้องร้องขนาดนี้แสดงว่ามันหวงไข่มันมันมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของไก่ถ้าร้องกระโต้กระโต้กระโต้กระโดัง ไปทั่วหมดเนี่ยพูดอย่างนี้มันก็ไปไล่เ้เอาไข่ก็ามาเอีก็พอมีบ้างไงนายกแต่อยากรู้มันไปทำอะไรกัเนี่ยยังไม่ไปอีกมันกกไข่ไว่อยากรู้อยากเห็นแต่เวลาเสียงมันร้องเนี่ยมันฟ้องคนทั่วไปหมดเลย มันไม่ธรรมดานะร้องบนอยู่นั้นนะกระโตกระโตกระโตต่อมาก็นึกถึงตอนหนึ่งคื่ว่าลูกศิษย์ของท่านวัสสารีบุตรจะบรรลุในช่วงเช้าที่ท่านวัสสารีบุตรไปบินทบาทในระหว่างที่จะกลับมาถึงพระเจ้า ไปปรากฏและก็ห้ามไปในทิศทั้งสีก็มีเทวดาคอยดูแลรักษาอย่าเพิ่งเข้าไปสมมเน็กกำลังจะบรรลุทำขั้นสูงสุดอย่าเพิ่งเข้าไป ตมาเทียบเขียงให้เห็นว่าถ้ากรรมวิบากของคนนั้นเบาบางจนไม่มีอากัสลวิบากที่มาตัดรอนได้แล้วน่ า, นาจะดับเย็นจริงๆนะแต่ว่าถ้ากรรมวิบากยังหนานแน่นยังมากอยู่เชื่อเถอะกำลังจะดีนะ่แหละกิ่งไม้ใหญ่ๆ ห, หัหกโครมลงมาหลังคาเลยนะนั่งอยู่จากร่มร่มนะ จากล่มโรมได้เงาในกายเป็นง่ามหมยจะฆ่าเราเสียอีกมันมีเรื่องที่เกินคาดเกินการคาดคะเนและบางอย่างมันเกินวิสัยที่เราจะรู้ได้เออสองอย่างนี้พอแล้วละคาดคเนกับเกินวิสัยมันเกินคาด ทำให้เกิดขึ้นมาถึงบอกคนคนนี้ยังมีทำนองชีวิตที่ต้องมีการรับกรรมและวิบากอีกอาบางคนจะบรรลุยมไปศึกษาดูในสูตรกรรมวิบากตัดรอนอายุหมดก่อนก็มียมดูสอง นะดาบดท้าอยู่ต่อสมดาบดด้วยนะอสิตะดาบดทั้าอยู่ต่ออีกสัก29ปีก็ได้บรรลุเปล่าตายก่อนอุทกดาบด阿拉 ร, ารดาบดทั้าอยู่ต่ออีกปีสองปีก็ได้บรรลุได้แค่รูปฌานเจ็ดแปดตั้งสองเห็นไหม ขนาดผู้เด้าตรัสรู้ก็ยังยั ง, ยงระลึกถึงท่านทั้งสองที่จะโปรดได้แต่ว่ากรรมบิบากตัดรอนอายุหมดแล้วอเออดูเดยมฉะนั้นในชาติที่พวกเราเกิดที่ขณะฟังทำอยู่สิ่งที่ อาตมาต้องตื่นรู้ที่สุดอย่าสร้างอากุศลอันเป็นวิบากกรรมชั่วใหม่ส่วนมีสิ่งใดที่จะเข้ามาละรานเบียดเบียนเราเนี่ยนั่นมันของเก่าไม่ใช่ของวันนี้แต่มันเป็นของวันเก่าๆบางคนบอว่าฉันไม่ได้ทำเลย ฉันไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวก็เชื้อขาดแล้วอ่ะฉันบอกฉันไม่รู้เรื่องเลยรู้ไม่รู้ก็มารับฟังแล้วอ่ะอยู่คิดเนี่ยอ่าปฏิเสธได้ปฏิเสธสิงงงงงงอยู่ๆมีข้อหามานี่งงเลยงงแท้เลยงงจริงๆริง แล้วมันเกี่ยวอะไรเขบอกเกี่ยวไม่เกี่ยวก็เกี่ยวเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มาเป็นบางคนไปคำประกันเขาใช่ไหมแค่หวังดีแท้ๆคนดีด้วยที่ไปคำให้เขาเป็นไงโยมพอเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วบอกไม่เกี่ยวเนะี่ยมันขาดไปแล้วอ่ะช่วยเขา นึกว่าเรื่องจะไม่เกิดใครจะไปรู้เกิดนี่แค่ย่อๆถึงบอกว่าเออฉะนั้นเรื่องกรรมวิบากอาคุศลนั้งหลายเนะี่ยถ้าผู้ที่ประราดถนาจะมุ่งมักผลนิพพานจริงหนะยุดเวรหยุดบาปหยุดชั่ว แต่จะไม่หยุดดีจะไม่หยุดในการเจริญกุศลจะไม่หยุดในการมุ่งหวังมรรคผลสำคัญนะแต่มารู้หลายๆคนยคนมีบางคนอยากจะทำบุญแบบใจนี่จะขาดวิ้วิววิว ว, ว, ว, วทำไม่ได้จริงๆริงใจมันไปตั้งโหรว0 0แปดมื่นถึงแสนสองแสนล้านสองล้าน แต่พอดูตัวเราแล้วแม่นั่งรถเมย์กลับพอถึงบ้านก็ยังพอมีค่านั่นการนี่ก็เหลือแค่ไว้พระสวดมนทูบเทียนยังซื้อไม่ได้เลยบางคนนี่เรื่องจริงนะโอ้จะมาก็เหมือนสมัยโยมนั่นแหละจะเอาดอกบัวมาบูชาพระกรนละสิบบาทสิบดอกนะ บอกเออลุยลงไปเก็บเองเหลือห้าบาทลงไปลุยดีกว่านะยกน้ำครึ่งเอวก็ไปครึ่องอกก็มีบางแห่งขันก็ขันไว้แต่ว่าศรัทธาถึงกุศลจิตถึงเงินไม่ถึงแต่ว่าเอาละ่ะ ก, ก, ก็ได้มาอยู่ดีถึงบอกเออ แม้อย่างนั้นเราก็ต้องสรา้างเริ่มจากเล็กๆในน้อยก่อนบทพิสูจน์ทุกอย่างมันจะมีเองอยู่เริ่มตั้งแต่รู้จักปูเสื่อให้คนอื่นเขานั่งและเรารู้สึกดีใจเริ่มแต่กวาดให้เกลี้ยงและคนอื่นเข้ามานั่งเรารู้สึกดีใจ น, ะนั่นแหละเป็นกุศลแบบมันละเอียดนะละเอียดตรงไหน ตรงที่ว่าเราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขเราได้ทําประโยชน์และใครมาใช้ประโยชน์ที่เราทําเรารู้สึกสุขใจบุญตรงนี้อย่ามองข้ามนะวัตถบทตเจตท่านเทออมาลินเทวธิราชผู้เป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์หรือเท้าสากะเทวราชก็ตามท่านก็บำเพ็ญบารมีอย่างนี้เลยโยไม่ใช่อยู่เป็นนั่งกอดอก ยกใยห้างชี้ไม้ชีมือเฮเฮฮเฮฮ ะ, ฮ ะ, ฮ ะ, ฮะเนี่ยนะและให้เป็นไปตามที่นิ้วชี้เนี่ยธรรมามบอกไม่ใช่นั่นไม่ใช่เหตุที่จะบรรดาลผลไม่ใช่นั่นคือการกําลังกินบุญกําลังใช้บุญนะไม่ได้สร้างบุญทั้งธตรมามบอกยอมทำเถอ พอทำเสร็จให้เรารู้สึกว่าใจเรานี้เข้าใจและอิ่มเ อ, อิบเบิกบานให้รู้สึกเรามีความสุขพอเราล้างห้องน้ําเกลี้ยงเสร็จพอเห็นคนอื่นเขาเข้าแม่นั่งสบายใจจังเขาเข้าไปมันสะอาดดีนะแม่เข้านานจังเลยคงเพลินนะ yeah. แต่บางคนนี่ไม่นึกว่าตัวเองฉลาดใครทําทําฉันไม่ทํา พอถึงเวลาใช้ฉันก็ไปใช้ไม่ฉลาดจริงไม่ฉลาดบุญเล็กๆน้อยๆเรายังไม่รู้จักสร้านจิตอันละเอียดเรายังไม่รู้จักเลยยมมทมและยมจะรู้เอาตัมมาปัวสนะเสร็จ แ, แล้วก็นั่งพอมีใครมานั่งก็ภูมิใจแอ เราได้บุญแล้วเก็บต่องละค่าต่องนงั่งดานก็เก็บเยอะหน่อยเชื่วมงแล้วเท่าไหร่ก็รโยมก็เอาสิเห็นเนี่ยที่โยมปูอ า, านนาเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจไม่ใช้แต่กูเนี่ยทำโอ้โหเสียหายเลยนะโอแต่ถ้้โยมปูเสร็จปูให้เรียบร้อยตรงไหมตรงสวยนะเดี๋ยวมีคนก็ามานั่งภาวนาฟังธรรม เดีเราก็ได้รับบุญเต็มๆ เ, เห็นไหมคนก็เข้าใจแล้วอเออมันตีระคังเหมือนกันพระที่ตีองไหนตีวันนั้นบุญเยอะที่สุดเป็นสันญาสัญญาให้คนตื่นมาภาวนาไหวพระสวดมนต์โอ้โหบางคนเกิดมาในชาติหนึ่งยังไม่เคยได้ตีระคังเลยไม่ยด้พูดงนี้เดี๋ยวจบโยมไปตีไม่ได้นะ พระตื่นหมดพมดถึงเวลาอออตอมาก็เหมือนกันบวทภรษาแรกตอมาเฝ้าระครังแล้วนะพอได้เวลาก็ปังปังตีเสร็จก็มานั่งรอพระมาเอาละสวดมนต์ไว้พระนี่คือเริ่มบารมี บวช ใ, ใหม่ๆเนี่ยบารมีที่เริ่มต้นคือตีระขังให้พระมารวมสวดมวนต์ไหว้พระต่อไปก็สมัมอยู่ทางบ้านนอกเราก็เอาขวดล้างให้เกลี้ยงแล้วก็กรอกน้ำฝนใส่วางตามอาสนะพระมานั่งเออท่านก็ได้ฉันน้ำที่เราเตรียมไว้เป็นบารมีโยมรู้หรือเปล่าเราอยากเข้าใจนี่คือคนใช้นะเข้าใจผิดเลย ควจะสร้างบา ร, รมีอะไรก็ตามที่เราเสียสละและผู้อื่นเขาได้รับความสุขบา ร, รมีเราเพิ่มเนะีเราก็ได้รับความสุขไปด้วยแต่อะไรที่เราไปกินแรงเขาเนะี่ยบา ร, รมีเราจะลดลงไม่ดีเอานะก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงตอนนี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน